247. ออปติกรมรมะอุเขปนิยกรรมะกะถาว่าด้วยอุเขปนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติ416ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้พิกษุต้องอาบัตแล้วไม่ปรารถนาจะทำคืนอาบัตถ้าพิกษุทั้งหลายปรึกษากันในเรื่องนั้นอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลายภิกสุรูปนี้ต้องอาบัตแล้วไม่ปรารถนาจะทำคืนอาบัตเอาละพวกเราจะลงอุกเขปนียกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัตแก่ภิกสุนั้นแล้วแบ่งพวกโดยไม่ชอบทำลงอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัตแก่ภิกสุรูปนั้นแล้วพร้อมเพียงกันโดยไม่ชอบทำ ลงอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วแบ่งพวกโดยชอบทำลงอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วแบ่งพวกโดยทำปฏิรูปลงอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วพร้อมเพียงกันโดยทำปฏิรูป ลงอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัตแก่ภิกษุรูปนั้น